บุกทูหกสิบสี่การปฏิเสธหนึ่งผมไม่เข้าใจคำศัพท์ผมไม่เข้าใจประโยค ผมไม่เข้าใจความหมายคุณครูคุณเข้าใจคุณครูไหมครับ r o z สื่อใจอ u č i t จ ľ ลยครับผมเข้าใจท่านดี an อเนาะรู้ส dobre คุณครูผู้ชคุณเข้าใจคุณครูไหมครับครับผมเข้าใจท่านดีผู้คนคุณเข้าใจผู้คนไหมครับ ไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับเนื้อเนโรซูเมียมอินเวลมิดอบระเพื่อนหญิงแฟนเรียจฉิลกาคุณมีแฟนไหมมาเชียเปียลกูครับผมมีอันอันมัม ลูกสาวเซราคุณมีลูกสาวใช่ไหมมาเชืเซรูไม่ผมไม่มีลูกสาวเนี่ยเนี่ยมัม